ไปก็ยังอุตส่ามีนะมันเบื่อแต่ว่ากับธรรมะเนี่ยและโดยเฉพาะในหัวใจของพระริยะอย่างนี้ท่านไม่เบื่อเพราะนั้นเวลาไปเนี่ยก็แน่นะครับคนมีลูกมีหลานก็พาลูกหลานไปก็เหมือนกับก็บอย่างเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็อาจจะไม่ค่อยตามมาแต่สมัยก่อนเนี่ยก็เลี้ยก็เลี้ยงลูกอะไรกันมาเรียบร้อยดีก็พากันไปไปทาบุญไปใกล้ชิดศา ส, สนา เหมือนอย่างที่เบสนะครับเทียบไม่เห็นคล้ายๆบรรยากาศตอนนั้นก็อย่างที่เบสเด็กๆเด็กๆอะไรเนี่ยเล่นกันเป็นกิจกรรมทางศาสนาไปเลยเข้ากระแสวัฒนธรรมของคนทุกระดับจากการที่ไปวัดนึงๆเ น, งเนี่ยศรัทธาก็ค่อยๆเกิดมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็ตกลงใจที่จะบวชซึ่งก็แน่นอนนะครับนางวิสาขาต้องดีใจ ที่เห็นลูกมีความศรัทธาประสงค์จะบวชก็ให้บวชเป็นพระภิกษุและเมื่อบวชไปแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอารหาันต์ไปโดยง่ายๆไม่นานไม่มีอุปสรรคอะไรเลยทีนี้ถ้าถามว่าใครเป็นอาจารย์ผู้ให้กรรมาฐานเราไปอ่านพระสูตร อประกอบพระสูตรที่ชื่อมิขชาระสูตรมีอยู่มีอยู่สองสูตรเลยนะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเนี่ยอยู่ในพระไตรปิกเล่มสิบแปดท่านมิขชาละได้ไปขอกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงให้กรรมฐานแล้วก็หลีกไปสู่ป่าปฏิบัติกรรมฐานบรรลุเป็นพระแล้วก็กรรมฐานที่พระเจ้าทรงให้กับท่าน นิคชาละนั้นเป็นเรื่องอายสตะบัพพาอีกครับตาหูจมูกริ้นกายอันนี้ก็บังเอิญมากรงกับท่านมามาลุกะยะบางองท่านก็ให้การหน้าคงก็ให้ข้ออื่นแล้วแต่บุคคลไหนควรจะทำอย่างไรในการมาขอคำมาฐานในรูสึกในสูตรสองสูตรสแสดงเป็นสองครั้งครั้งแรกเนี่ย ท่านออกมาจากที่หลีกเล่นรูที่หนึ่งนะแล้วมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคมาทูลถามว่าอย่างไรเรียกว่าการอยู่แต่ผู้เดียวที่เรียกว่าหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวในนั้นก็ไม่เล่าว่าทำไมท่านมิคชาละถึงมาเอะใจสงสัยตรงนี้เพราะท่านก็ออกมาจากอยู่มาจากการหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาค ทรงรู้ว่าท่านมิกชาลาัณอยู่ด้วยทางกายภาพคนเดียวแต่ในหัวใจนั้นมีตัณหาเป็นเพื่อนสองจึงทรงตรัสเพิ่มจิตตวิเวกการอยู่คนเดียวเป็นกายวิเวกเป็นที่อาศัยของจิตตวิเวกจิตตวิเวกเนี่ยจะเกิดโดยไม่มีกายวิเวกอย่าง แต่ว่ากายวิเวกนั้นเพื่อจิตวิเวกคนที่อยู่กายวิเวกถ้าจิตยังไม่มีเวกยังไม่นับว่าอยู่คนเดียวในทางสาระในทางมุ่งหมายจึงทรงตรัสว่าการอยู่คู่เดียวในส่วนที่เป็นสาระคือการอยู่โดยไม่มีตัณหาเป็นเพื่อนสองนั่นชื่อว่าเป็นการอยู่ ผู้เดียวอย่างดีในครั้งหนึ่งก็มาก็ว่าเริ่มให้ทําให้เกิดจิตเวกอีกครั้งหนึ่งมาขอกับมาถานที่ทรงให้ขั้นวิปัสนาสูงขึ้นไปใหอ้อายตนะบัปก็ไปปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งทําให้เกิดปัจสัตทิวิเวก คือเป็นวิเวกขั้นสูงวิเวกเนี่ยมันมีสามวิเวกกายวิเวกใจวิเวกใจในหมายถึงปรามไอ้ปริยัติฐานกิเลสให้ได้แล้วก็วิเวกอีกขั้นหนึ่งคือสามารถทํากิเลสเหล่านั้นให้สงบระงับหายไปจากสันดานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในตอนหลังนี้นี่ท่านมิฆชาลละ ลูกชายของนางวิสาขาเป็นพระอาหารหันต์ไปก่อนแม่อีกองคหนึ่งสองร้อยสิบแปดสองร้อยสิบแปดชื่อว่าท่านเชนตะปูโรหิตะปุตตะพอเราได้ยินคำว่าปุตตะอยู่ข้างหลังนี่ก็หมายคกาว่าชื่อข้างหน้าเป็นชื่อของพ่อหรือชื่อแม่แน่ในที่นี้เป็นชื่อพ่อครับเป็นบุตรของปูโรหิตที่มีชื่อดังกล่าว เมื่อโตขึ้นตัวเองเกิดในชาติสกุลสูงมีรูปงามท่านก็ว่าเป็นคนที่มีความมัวเมามีมะะัทะคือชาติมะทโทเมาชาติแล้วก็โพคะมะโทเมาทรัพย์สินแล้วก็เมาความเป็นใหญ่เมารูปรูปในหมายถึง รูปลางหน้าตาของตัวเองจึงเป็นคนมีลักษณะหมิ่นคนอื่นอยู่เสมอๆอนึกว่าคนอื่นใช้ไม่ได้คนอื่นควรดูถูกเนี่ยจากไอ้เหตุจากความหลงตัวเองนะเมาก็คือหลงตัวเองด้วยอำนาจของมานะจนกระทั่งเมื่อปลารลกคนอื่นก็กลายเป็นการดูหมิ่นคนอื่นในที่สุดไอ้ความดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยมันได้ลุกลาม ใหญ่โตจนกระทั่งแม้แต่ผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็มีอาการกระด้างกระเดืองดูถูกดูหมิ่นไปที่หมดวันหนึ่งได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าคือการที่ได้มาเฝ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องโดยบังเอิญ น, นะครับพระพุทธเจ้าพลังทรงแสดงธรรมมีพิกษุทั้งหลาย แล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาแวดล้อมฟังธรรมะอยู่ตัวก็เข้าไปฟังด้วยความเรียกว่าตามอิทธิพลกขาต้งคงเข้าไปอยากรู้อยากเห็นแต่ไปอย่างคนที่พกมานะน้ำชาล้นถ้วยไปเต็มที่แหละพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงธรรมแต่ว่าทรงรู้แล้วว่าเวลานี้มีคนที่มีกิเลสแปลกปลอมเข้ามาฟังอยู่ด้วยพอพระพุทธเจ้าสแสดงธรรม จบแกนะแกยืนอยู่ไม่ได้นั่งเรียบร้อยแล้วครับคือจ้องจะไปทุกเมื่อความพร้อมที่จะฟังทาไม่มีมาเพราะอยากรู้แล้วก็เตรียมจะไปอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ดีว่าฟังจนกระทั่งจบพอพระพุทธเจ้าจบก็หันหลังกลับจะไปพระพุทธเจ้าทรงลั้งไว้ด้วยพุทธดำรักแบบ ลวงลึกเข้าไปถึงความรู้สึกนึกคิดของพรามนั้นอย่างชนิดที่เรียกว่าทำให้เกิดอาการสะดุ้งสะเทือนเลยทีเดียวตรัสว่าดูก่อนพรามใครในโลกนี้มีมานะไม่ดีเลยผู้ใดมาด้วยประโยชน์อันใดผู้นั้นพึงเพิ่มพูนประโยชน์นั้นเถิดคือหมายก็ว่าท่านบอกว่ากิเลสของท่านนไม่ดีท่านมาเพื่อสแสวงหาประโยชน์อะไร ขอให้ได้ประโยชน์นั้นเอาประโยชน์นั้นไปให้ได้บอกอยังไงพรามนั้นก็อย่างว่าอย่างที่ว่าคนมานะในพุทเจ้าใช้วิธีคมด้วยอาการที่เก่งกว่าทําทีว่าเก่งกว่าเสมอคนมานะจะยอมไปถ่อมตัวกับคนมานะแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ย ไม่สามารถที่จะแก้จิตใจของเขาได้พอพราหมณ์ได้ยินอย่างนี้ก็สะดุ้งรู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จิตใจของเรารู้สันดานของเรารู้เท่าทันเราหมดเลยก็ศรัทธาเกิดทีนี้คนอย่างนี้อย่างว่าเวลาเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดแรงเลยเหมือนกันเลยคารเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าซบลงที่พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาค แสดงความเลื่อมใสแสดงความเคารพอย่างยิ่งแล้วก็กล่าวกับพระผู้มีภาคว่าพรามณ์ไม่ควรทำมานะในใครควรมีความเคารพในใครพึงยำเกรงใครบูชาใครด้วยรีแล้วจึงเป็นการดีนี่คือยอมสารภาพว่าเข้าใจแล้วรู้สึกแล้วว่าการทำอย่างไรดีกัน เป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรไม่ดีพระบุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเรียกว่าลุกเข้าไปเลยลุกเข้าไปเลยว่าว่าไม่ควรทามานะในมารดาบิดาพี่ชายและครูบาอาจารย์นี่นี่จะแสดงให้เห็นว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนที่เย่อหยิ่ง อวดดื้อถือเก่งยกตนข่มท่านดูถูกในมุมในแง่อันใดหนึ่งแม้กับพ่อกับแม่และครูบาอาจารย์ั้งตัวเองพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสในลักษณะของการเอาประตักแทงเข้าไปอย่างลึกๆแล้วก็ตรัสว่าควรทำลายมานะเสียแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรกระด้างกับพระอาหารหันต์ นี่คือมานะสุดท้ายที่มาแสดงออกกับพระองค์ไม่ควรทำมานะกับพระอารารพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบในตอนนี้บรร ล, ลุเป็นพระโสดาบันในที่นั้นเลยนืจากคนมานะงยิงๆนะพอมาได้ธรรมะก็กลายเป็นโสดาบันไปเลย ไอตอนมาอย่างตอนไปอย่างนึงทำมากแล้าเนี่ยปแปลกจริงๆคับเมื่อไหรเมื่อไรก็ว่าปแปลกเราเห็นเดี๋ยวนี้แล้วไปเนือ่านสมัยก่อนในยิ่งยิ่งเชื่อเลยครับว่าปแปลกจริงๆคนหรว่าเร็วๆคนออย่างโู้อย่างนี้เนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมแล้วทํำไมกลายมามากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่คนดือ้อดันดันพอมาปฏิบัติธรรมแล้วกลายเป็นคน มีพฤติกรรมกลับตลรรกะเป็นอีกแบบนะึ่งอย่างเหลือเชื่อเราเห็นกันจนเบื่อแล้วนะก็เพียงแต่ว่าถ้ายังไม่บรรลุเป็นอริยะเนี่ยพฤติกรรมที่กลับตลรรัดแล้วนะมันอาจจะกลับเป็นอย่างเก่าได้อีกหรือมันอาจจะขึ้นขึ้นลงๆแต่ถ้ากลับตลรรกะเป็นถึงขั้นอริยะบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยก็จึงได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้าในตอนขอบวชเป็นโซดาบันลองลังอยู่แล้วนะะ พอบวชแล้วก็สมาทานวิปัสนากรรมฐานบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นไม่นานนะครับนั่นเป็นพระอดีตลูกปุโรหิตต่อไปอีกองค์หนึ่งชื่อว่าพระสุมนณะ <c oughs> องค์ที่สองร้อยสิบเก้าท่านสุมนณะ สมณะเนี่ยในที่นี้เห็นจะต้องปแปล ว, ว่ามะลิดอกมะลิเป็นชื่อที่เกิดขึ้นจากบุปกา ร, รเก่าของท่านที่ได้ทำบุญด้วยการบูชาดอกมะลิเอาไว้ในสมัยที่เกิดเป็นในายมาลาการทำการบูชาอย่างดี กับพระพุทธสิกขีพุทธเจ้าท่านสุมนณะนี้เป็นบุตรของอุบาสกที่เป็นโยมอุปถาของพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเนี่ยเราก็ไม่ลืมท่านว่าท่านเป็นพระประโยชน์ญญของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอุบาสกที่เป็นอุปถาเนี่ย เป็นชาวสาวัตถีครับท่านนรุธะมาได้โยมุปถากที่เมืองสาวัตถีก็คงจะเมื่อท่านมาพำนักพักอยู่ที่ประเจตวันพิหารนั่นแหละนี่โยมุปาถากนี่ก็มีลูกชายก็คือในาสุมนณะเนี่ยทีนี้ข้อนี้เนะี่ยมันมีข้อแปลกอันหนึ่งที่จะแทรกเป็นข้อความรู้ในทางหลักฐานเราเคยได้ยินเรื่อง บนขอลูกไหมล่ะเรื่องบนขอลูกเมื่อสองสวันนี้มีคนโทรไปหาไม่รู้ใครนะอยากมีลูกไม่มีลูกสัทีทำไงยังมีลูกทําวิธีทงางศาสนาเนี่ยทำาไงดีอะไราเงี้ยมาคุยโทรมาคุยกันามาถามอะไรบางอย่างนะอันนี้เาละนั่นก็เอาอู่ผ่านไปพูดถึงบนนี่คือบนอยังไง คือก่อนหน้านั้นเนี่ยอุบาสกโยมบุษฐากเนี่ยแกมีลูกกี่ ค, คนกีค่คนก็ตายหมดอ่ะกระทั่งมาออได้ความเลื่อมใสรับเป็นโยมบุษากแกท่านอนุรุธแล้วก็ได้ออกปากบนแสดงความปรารถนาคือไม่ได้บนว่าถ้ามีลูกจะถาวายหัวหมูอีหัวแกท่านอะไรงั้นนะแต่บนอย่างนี้นะเรียกว่าถ้ามีลูก จะให้บวชนะในที่สุดเนี่ยก็ได้ลูกขึ้นมาจริงๆคนคือท่านสมณะแข็งแรงน่ารักกระทั่งอายุได้เจ็ดขวบก็ไม่ลืมสัญญานะะพาไปหาท่านอนุรุษแล้วก็ให้บวชเด็กคนนี้เป็นคนมีบุญ เพรเดี๋ยวจะมีกรณีของการขอลูกกับพระพุทธเจ้าอีกรายนะอหรหันต์ที่เกิดจากกขอมาจากพระพุทธเจ้าจะได้ฟังเป็นเชิงหลักฐานไว้เป็นแง่มุมในทางปฏิบัติอะไรได้บ้างเรื่องเรื่องมีลูกมีลูกเนี่เคยพูดเรื่องการมีบุตรตามพุทธวิธีมาแล้วนานมาแล้วนะฮะนี่พอเด็กบวช บรรลุเป็นพระอระหันต์ได้พิญญาทุกอย่างพร้อมสรร์ท่านบอกว่าเป็นคนที่มีบารมีกล้ามาแต่ดั้งเดิมแต่ในนี้ไม่ได้เล่าว่าไปขออะไรแล้วพระอนุท่านไปเอาคนที่ไหนมามาให้เกิดเป็นลูกนะอย่างดีเราก็สนิทสานเอาแต่นี่ไม่สนิทสานแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถึงเรื่องที่เล่าสาวลึกลงไปว่า ไปเอาลูกเอาใครที่ไหนมาเป็นลูกเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมีฤทธิ์เพราะนั้นก็การปฏิบัติอาจารย์ก็สามารถที่จะอาหาอะไร อ, อะไรมาปฏิบัติรับใช้อาจารย์ได้อย่างดีะเรียกว่าน้ําเนี่ยรู้เลยว่าน้ําที่ไหนเป็นน้าาําสะอาดรสชาติดีท่านก็สามารถที่จะเหาะแล้วก็ไปเอาบาเตเบิดตักมาหาน้ำนั้นมาถวายอาจารย์ได้ นี่ก็ธรรมดาของคนผ่านท่านไปแค่นี้นะองค์ที่สองร้อยยี่สิบชื่อว่ามหาตกะมุนีเถระท่านมหาตกะมุนีเถระนี่เราไม่ได้เคยได้ยินชื่อหรอกครับท่านเกิดในสกุลพราหม์ชาวเมืองราชฤกษ์ชื่อของท่านก็คือนาหาตกะ ตามสัตว์เนี่ยแปลว่าเพราะประกอบด้วยลักษณะของผู้ที่อาบแล้วคือหมดกิเลสแต่หมดกิเลสจะเน้หมายถึงเป็นคนที่ไม่มีกิเลสหรือเป็นคนที่มีบุคลิกของคนที่สะอาดจากกิเลสที่ชาวโลกหรือสายตาคนสมัยนั้นเขาคิดเขาว่ากันพราะบุคลิกท่านน่ยมันเหมือนพระนะมีลักษณะความเป็นพระมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เลยตั้งชื่อท่านอย่างนั้น แค่นี้มันก็เป็นบุคลิกที่สมจริงอ่ะตอนหลังท่านก็นมาบวชเป็นดาบทอยู่ในป่ากินลูกเดือยกินอะไรอะไรไปตามเรื่องในป่านั้นก็บอกว่าเป็นป่าที่อยู่ใกล้ๆเมืองละจะคือสมัยนั้นนะห่างกันจากตัวเมืองประมาณสักสามโย์โดยรอบบำเรวไฟอยู่ตามคติความเชื่อของพวกดาบดก็คงจะเป็นเือกเดียวกับ โอลุเวรักัสปะจะดินสามพี่น้องนะทีนี้พระบุทธเจ้าเนี่ย เ, เราก็รู้ว่าการโปรดสัตว์เนี่ยท่านจะแผ่ขายพยานกวานกวาดไปเรื่อยอาจจะไปติดใครอยู่ที่ไหนก็มีทางจะเป็นไปได้ทต่นั้นะก็ไปเห็นดาบุกคนนี้ว่ามีปนิสัยท่านก็เสด็จไปถึงอาสมเลยแล้วก็ สมปรารถนาเพราะว่าดาบดนี่เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อนใสในทันทีก็เข้ามากราบมาไหว้นำอาหารตามมีตามได้ของตัวเองเนี่ยมาให้มาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเ ส, สเวยอาหารของดาบดเนี่ยถึงสามวันอาหารนั้นคือลูกเดือยอาหารหลักคือลูกเดือยพวกดาบด์นั่นเขาก็กินง่ายๆเขากันนะ พอถึงวันที่สี่ดาวบทก็ดชักรู้สึกเขินใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทรงสุคุมารชาติยังทรงสามารถยังอัตภาพให้เป็นไปได้โดยอาหารหยับหยาบอย่างที่ตัวเขาเองคุ้นเคยแล้วก็กินอยู่อ่าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถึงคุณของอริยะสันโดษถึงความสันโดษเรื่องอะไรแต่ไรนะแล้วก็ทรงแสดงธรรมในวัน ที่สี่นะบรรลุเป็นพระโสดาบันในที่แสดงธรรมนะั้นแล้วก็บวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในระยะเวลาอันใกล้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ง่ายๆครนี้ดาบดเนี่ยจะเนื่องว่าก เ, เก่าก่อนเนี่ยเป็นคนที่ในเรื่องอาหารการกินเนี่ยกินบ้างไม่กินบ้า ง, างยังไงก็ได้ ที่จริงก็มองดูว่าพระสมัยก่อนเราจะได้ยินว่าเป็นโรคลมโรคลมเนี่ยบ่อยโรคลมนะหมายถึงลมตีขึ้นอันนี้มานั่งนคะบควนเทียบจะจะเหมือนกันแค่ไหนหรือไงไม่ทราบนะคือเราเองเนี่ยเวลาเราไม่ได้กินอาหารบางทีลมตีขึ้นจริงนะหน้ามันจะมืดมือไม้มันสัน่นใช่ไหมใช่ผมก็มีโอกาสพลาดอย่างนี้บ่อยๆเหมือนกันมือไม้มันสัน่นบางที ามารับประทานอาตอนสัมมงเข้าเช้าก็มีเหมือนกันก็เกิดความผิดปกติวิปลตทั้งลมภายในเป็นโรคลมท่านดาบทองค์นี้ถึงเป็นอรหันแล้วเนี่ยก็มีโรคลมเบียดเบียนเหมือนกันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จมาถามมาแสดงแนะข้อปฏิบัติอะไรบางสิ่งบางอย่าง บทสั่งสอนนั้นยืดยาวผมไม่อ่านให้ฟังนะก็เป็นอั้นว่าท่านผู้นี้เป็นพระอาหารที่มาจากอดีตนักบวทที่พระเจ้าไปชุดออกมาจากป่าเลยทีเดียวครับอีกองหนึ่งสองรอยยี่สิบเอ็ดองนี้ชื่อเหมือนพระเจ้าแผ่นดินแต่ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นแต่ลูกพระเจ้าแผ่นดินคือท่านพรหมทัตตะ ตัมพรมทัตต์เป็นโอรสของพระเจ้าปัดเสนที่โกศลผู้ครองเมืองสาวัตถีที่เรารู้จักดีก็ได้ศรัทธาได้เห็นพระพุทธเจ้าได้บวชก็เพราะว่าตอนพุทเจ้าเสด็จมารับพระเชตวันของท่านอนาถาติกาเศรษฐีนี่แหละครับก็แสดงให้เห็นว่างานครั้งนั้นผู้คนมากันมาก มาทุกระดับแม้คนในร่ในวังก็มาแต่ก็ได้มาบวช ด, ด้วยมีทั้งคนธรรมดามาบวชนักบวชก็มีแล้วก็อลูกเจ้านายอย่างเช่นท่านพระมัทตะเนี่ยก็มาบวชก็มาบวชแล้วเป็นอารหาันต์แล้วก็คงจะไม่ได้กรองลาดแน่นะก็ได้บาเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุอริย ญ, ญาบรรลุปฏิสัมพิทาครบหมดเป็นพระอรหันต์ชั้นดีองค์หนึ่ง โดยไม่มีอุปรสรรคเหมือนอย่างองค์อื่นนะครับทีนี้พอมาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็เราฟังต่อไปนี้เราอาจจะตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าเอ๊ะทาไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านเที่ยวไปบินสบาดในพระนครก็มีพราหมณ์คนหนึ่งมาเห็นท่านเข้าไม่รู้เป็นกู่เวกู่กรรมอะไรกันยังไงหรือเป็นพรามเป็นกิเลส ข, ของพราหมณที่ตีของเราเห็นท่านแล้วก็ด่า ด่าแบบคือท่านพูดว่าระยายเหมือนก็บสุ น, นัขเห่าอ่ะต้อนหน้าต้อนหลังเห่าด่าแล้วแล้วแล้วท่านเองท่านก็เป็นทหารแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยท่านก็นิ่งทําท่าสงบคนก็กล่าวว่าเออปรามโว้าด่าท่านอย่างนี้ไม่เห็นท่านกล่าวตอบอะไรอะไรกับกับปรามคนนั้นเลยไม่แก่ตัวไม่ทําปฏิกิริยาในทางชอบหรือทางจัง ชาวบ้านเขาก็มาพูดสแสดงความเห็นใจบ้างสแสดงความรู้สึกนึกคิดต่อพฤติกรรมของท่านให้ปรากฏแก่ผู้อื่นบ้างตรงนี้มีปัญหาว่าเอเมื่อเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคนไม่รู้ใช่เลยแล้วมากล้าด่าใช่เลยมาแล้วก็นี่เข้าไปบินต บ, บาทในเมืองตัวเองนะใช่ไหมฮะบินพระบรมมรากความไหมถ้าสมัยนี้ติดคุกน ที่นี้สมัยนั้นเนี่ยอย่า ว, ว่าแต่ลูกพระเจ้าแผ่นดินเลยแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็มีคนจะได้เคยเห็นก็ยากจริงไม่จริงเรานึกถึงสมัยก่อนนะ่ะแค่วาระจการที่ห้าเนี่ยเป็นยุคที่มีการถ่ายลงแต่รูปอะไรแล้วนะแต่คนที่จะได้ทันที่ได้มีโอกาสเห็นจําราชการที่ห้าได้เนี่ยมีไม่มากหรอกครับเราอ่านเรื่อง สเสด็จประพาสต้นแล้วก็เจอเรื่องปแปลกๆบางคนไปขอไปไปฝากขยันขยอขอให้รายการที่ห้าซื้อปืนแน่นะกำนันองคนอยู่แถวอ่างทองเนี่ยพูดยังกับคนเกรงทีนัีมาจากกรุงเทพบอกพวเนี้อยากอยากได้ปืนสักกระบอกฝากซื้อปืนคือจะให้ให้ช่วยดูปืนฝากซื้อปืนนะ พอรัชการที่ห่าจะกลับท่านพระราชทานเงินให้ทั้งสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยตอนนั้นไม่ใช่น้อยครับบอกเอาให้ไปจัดหาตือ้อ่ะอท่านก็กลับตอนหลังถึงมาไล่เลียงนึกนีคนจะมีเงินขนาดนี้นี่สมัยก่อนนี่ไม่ใช่ธรรมดาแหละครับเลยนึกว่าต้องเป็นในหลวงแน่เลยพาครอบครัวมาเพื่อจะมากอเอาหสิ ขอพระเจ้าทานอภัยโทษ ท, ท่านก็ไม่ว่าอะไรเลยได้ปืนฟรีๆไปกระบอกหนึ่งอย่างในหลวงปืนอะไรก็ไม่รู้นะสมัยนั้นนะมีข น, นาดเป็นระดับกำนันเนี่ยไม่รู้เลยแต่ชาวบ้านยังไม่รู้เลยพอโถขนาดกษัตริย์ต่อกษัตริย์เป็นเพื่อนกันยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยยะแยะไปสมัยนั้นนะ ไม่เหมือนเดือนนี้เดือนนี้มีทีวีมีลูกมีอะไรอะไรเราก็เห็นกันจนจําแล้วจําอีก <c oughs> พอคนเข้ามาปลาลบอย่างนี้เรามาฟังคติที่ท่านพูดแสดงว่าสิ่งที่ท่านนำมาพูดเนี่ยท่านก็เก็บเก็บมาจากพระพุทธเจ้าเยอะต้องฟังดูนะเป็นคติที่ดีครับท่านบอกว่า ที่ไหนความโกรธจะพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่โกรธนี่พูดถึงตัวเองผู้ฝึกตนแล้วเลี้ยงชีพโดยชอบหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบผู้สงบผู้คงที่บุคคลโกรธตอบผู้โกรธ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 บุคคลผู้รักษาทั้งสองฝ่ายคือตนและบุคคลอื่นว่าเป็นบุคลงงคลโง่เขลาถ้าความโกรธเกิดขึ้นจงระลึกถึงโอวาทอันอุปรามาด้วยเรื่อยถ้าตัณหาในรถเกิดขึ้นจงระลึกถึงโอวาทอันอุปรามาด้เนื้อบุตรถ้าจิตของท่านแล่นไปในกามและในภพทั้งหลายจงรีบข่มเสียด้วยสติเหมือนบุคคลห้ามโคที่ชอบกินข้าวกล้า อันนี้ก็รวมๆอะไรอย่างแต่ว่าจุดเรื่องความโกรธเนี่ยว่าคนที่คนที่ไม่โกรธตอบเนี่่ชื่อว่ารักษาประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ตัวด้วยประโยชน์คนที่เป็นคู่กรณีด้วยแล้วก็คนอื่นเนี่ยสําคัญว่าคนไม่โกรธตอบเป็นคนโง่คนพานนะซึ่งความจริงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าคนโกรธตอบเป็นคนที่เร็วกว่าไอ้ความคิดเราเนี่ยคนโกรธตอบมนะันเป็นคนที่สมควรเร็วน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะเขามาทําเราก่อนดิ ก็อ้างอี้ใช่ไหมล่ะเราป้องกันตัวไงกฎหมายเห็นใจโกรธป้องกันตัวแต่ในแง่เขาธรรมะไม่ใช่ย่งนั้นนะครับโกรธป้องกันตัวเลวกว่าคนโกรธข้างลุกหลานเพราะอะไรเนี่ยเราเคยได้พูดกันในประสูนย์ะพวกนี้ท่านเอาผู้สะพดมาประมวลพูดเป็นคําของท่าน เพื่อให้กติกายาตโยมต่อไปครับองที่สองร้อยยี่สิบสององค์ที่สองรอยี่สิบสองชื่อว่าสิริมันตะสิริมันทะองค์นี้เป็นตัวอย่างของพระอาหารหันต์ที่บรรลุ ในขณะสวดสวดพระปาติโมกเราได้ยินว่าบางองค์นั้นบรรลุในขณะที่แสดงธรรมบางองค์บรรลุในขณะที่ฟังธรรมบางองค์บรรลุในขณะที่ให้โอวาทแก่คนอื่นบางองค์บรรลุในขณะที่ให้โอวาทแก่ตัวเองพูดสอนตัวเองแล้วบรรลุเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมเนี่ยจึงเป็นวิมุตตายาตนะคือเป็นแดนเป็นถิ่น เป็นสถานะเป็นจังหวะเป็นโอกาสแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างหนึ่งท่านสิริมันธะนั่นเกิดในสกุลรามชาวสุงสุรามสุงสุมาลคีระนคร น, นะท่านมาบวชเนี่ยเพราะว่าได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เพสกะราวัน วัดนี้ก็เป็นวัดที่เป็นที่คุณหูปรากฏในพระไตรปิฎกทั่วไปแล้วก็ได้บำเพ็ญทำมาโดยลำดับแต่ยังไม่ได้บรรลุทันทีครับก็ได้ใช้ชีวิตของความเป็นพระถึงวันลงอุโบสถก็ลงอุโบสถและท่านเองนั้นเป็นผู้ที่นั่งแสดงปฏิโมก ค, คือผูดง่ายว่าจำปฏิโมกได้และสวดปฏิโมกได้เวลาสวดปฏิโมกก็ได้รับยกย่องให้นั่งในที่สูงกว่าผู้อื่นก็ฟังอยู่ในที่ที่ต่กว่า ปติโมกก็คือเป็นการสวดตรวจเพื่อให้พิสูจน์ทลายได้ตรวจสอบศีลของตัวเองแต่ละข้อแต่ละข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสองรอยี่สิเจ็ดนะครับเราะนั้นเมื่อท่านสวดปติโมกจบท่านก็เกิดความรู้สึกเลื่อมใสเลื่อมใสอะไรเลื่อมใสในคําสอนของพระบุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าว่บริสุทธิ์น่าสจจ์เกิดปีติ ตรงนี้นะ่ะเราฟังแล้วเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรสำหรับชาวบ้านทั่วไปนะแต่ว่าใครที่เคยทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นเป็นประจำโดยเฉพาะทำกระหมูกันนะหรือไปสวดมนต์วันพระที่โบสถ์ด้วยความเข้าใจด้วยความทราบซึ้งเนี่ยจะเกิดปีติแล้วก็พระที่ท่านลงอุโบสถ แล้วไม่ใช่สักแต่ว่าฟังแล้วไม่รู้แปลว่าอะไรนะรู้ว่าแปลว่าอะไรยิ่งสวดบ่อยๆเนี่ยการขบการย่างลงการเห็นมิติแง่มุมของธรรมะเนี่ยไม่หยุดอยู่กะที่อะครับแล้วก็เมื่อน้อมกลับเข้ามาหาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยถึงวันนี้ได้ปฏิบัติตามนั้นเห็นจริงแล้วว่าศีล ข, ข้อนี้ข้อนี้ดีอย่างนี้อย่างนี้ปีติก็ยิ่งเกิด นั้นตัวท่านเองผู้สวดสวดไปท่านก็สอบไปสอบตัวเองไปปีติก็ปรากฏอย่างรุนแรงในประวัติบอกว่าท่านจึงข่มปีติที่เกิดแล้วจเจริญวิปัสสนาในขณะนั้นและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สวดปาฏิโมกข์นั่นเอง ก็คือตอนขึ้นท ร, ร ม, มา ส, สวดยังเป็นบุตุชนสวดจบแล้วตอนจะลงเป็นละอรหันต์แล้วเราผ่านท่านไปแค่นี้นะไปถึงอีกองหนึ่งสองร้อยยี่สิบสามองค์ที่สองร้อยยี่สิบสามชื่อว่าสัพพกามะหรือสัพพกามี เมื่อเอ่ยถึงชื่อท่านสัพพกามีใครที่อ่านประวัติพุทธศาสนาในยุคสมัยศตวรรษที่หนึ่งที่สองเนี่ยก็จะคุณกับชื่อท่านดีท่านสัพพกามีนั้นเกิดในตกุลกษัตริย์คชาวเมืองเวสาลีโตขึ้นก็มีย่ามีเรือนมีครอบครัวไปลวครแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่มีอัยารัยใสในทางบท ก็คนมีอธิยาศัยในทางบวชบางทีก็ไปแต่งงานแต่งการอะไรก่อนก็มีบางคนก็ไม่ได้แต่งงานแต่งการออกมาบวชเลยก็มีบางคนก็ออกมาบวชโดยไม่มีอธิยาศัยในทางการบวชก็มีก็มีอหลายอย่างนะเป็นไปได้ทุกแบบแม้ในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันทีนี้เมื่อแต่งงานแต่งการแล้วก็ยิ่งเห็นไอ้ไอชีวิตของการครองเรือนเนี่ย ว่ามันยังงูอย่างนี้ไปตามความคนที่มีอัตยาศัยที่จะคิดยิ่งใครชิดก็ยิ่งเห็นก็เด็ดจริงสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นในที่สุดท่านก็ออกบวชตัดสินใจละครอบครัวออกบวชก็ไปบวชกับพระเทระองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้ทรงธรรม คือถ้าเรียกว่าธรรมพันธาคาลิกนี่เมื่อเข้าไปบวชแล้วก็ไปอยู่กับอุปชาเข้าวันหนึ่งเนี่ยเข้าไปสู่บ้านเกิดนะพูดง่ายไปสู่เรือนของญาติภรรยาเก่าเห็นท่านมาเข้าก็มาแสดงตัวอยากอยากศึกโดยสภาพที่ ภรยาเก่านี่โทมไปมากเลยที่โทมเนี่ยเพราะว่าได้รับความทุกข์ความทุกข์ที่สามีออกบวชอในนั้นพารนาว่าผิวก็คล้ำผมเผาก็ยุง่งเหยิงไม่เป็นอันหวีไม่เป็นอันทําความเป็นระเบียบเรียบร้อยพูดงายปล่อยเนื้อปล่อยตัวหนุ่งผ้าก็เก่าดูไม่เรียบร้อยเป็นทุกข์เพราะความพัดพลากจากสามี ในพุทธพจน์เนี่ยพูดว่าการพลากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์สามีก็เป็นที่รักใครที่รักสามีการพลากพาดอย่างสามีก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นธรรมดารักลูกก็เหมือนกันก็มาเห็นท่านมาก็มายืนไหว้ทำท่าร้องไห้น้ำตาไหลซึมซิกซิกซิกซิกอยู่ครับอันนี้ที่ภาษาไม่ติด เพราะนั้นตอนนั้นเกิดเหตุการณ์แตกแยกกันในทางสังคมมนทนท่านก็เข้าไปประสานทำให้ทุกสุดท้ายนี่เรียบร้อยุูธิยาสังคยาจึงเกิดขึ้นและได้รับความสำเร็จจากวีมือของท่าน<ม>ต่อไปองค์ที่224ชื่อว่าสุนทะสมุดทะดูเผลอๆไม่ใช่สมุดสมุดไม่ใช่สุนทรสุนทร คำหน้าสุนทรคำหลังสมุดสมุดแปลว่าทะเลสุนทรแปลว่าดีงาม อ, อ, องค์นี้น่ะบรรลุในขณะยืนในที่บินบาบัตท่านองค์นี้เป็นใครและมีชีวิตที่เรียกว่าลอดปากเกี่ยวปากกามาได้อย่างไรถ้าเราอ่านในธรรมบทเราก็จะเคยได้ยินชื่อท่านในที่นั้นด้วย ท่านเป็นลูกเศรษฐีชาวเมืองเลยจะคือชื่อตัวคือสมุตชื่อตัวนะแต่เพราะว่าเป็นคนที่มีรูปงามเขาจึงเติมคำว่าสุนทรสุนทรในแปลว่างามในทางรูปก็ได้จึงกลายเป็นสุนทรสมุรทรหรือสุนทรสมุรทรก็ได้พบพระพุทธเจ้า เมื่อคราวที่เสด็จเข้าไปที่เมืองราชคฤชครั้งแรกเลยครับแล้วก็เกิดศรัทธาเลยนี่เป็นเหมือนบุเพสา น, นิวาสในทางธรรมะนะฮะหลายๆคนมาบุเพตา น, นิวาสกันมากในครั้งนั้นเมื่อได้บวชแล้วก็สมาทานทุดงเขวัดจากเมืองราชคฤชไปสู่เมืองสาววัตถีนี่เดินทางจากที่นั่นไปสู่ที่นั่นก็เรียนวิปัสสนากรรมฐานในสำนักของเพื่อน ที่เป็นพระภิกษุองค์หนึ่งแล้วก็ระหว่างนั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะท่านไม่ได้บรรลุโดยโรวดเร็วแลวครับวันหนึ่งในเมืองราชคฤห์นเนี่ยเขาเกิดมีหมอระศพทีนี้แม่แม่ของท่านซึ่งเป็นปริยาเตตีเนี่ยก็มาเที่ยวงานทีนี้มาเที่ยวงานเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยนะก็เหมือนในสังคมชนบทเรามาก่อน เวลามีงานนะครัตจะเลิกงานก็จะพาลูกพาหลานปิดบ้านมากันแหละครับทั้งเศรษฐีทั้งคนทุกรุกระดับเนี่ยทีนี้ถ้าคนไหนไม่ไม่มีคู่ไม่เห็นคนอื่นเขามีคู่มากับเป็นคู่ตัวก็คิดถึงตัวไอคนไหนไม่มีลูกคนอื่นเขามีลูกมาตัวคิดถึงตัว นางเองเนี่ยมาเห็นครอบครัวอื่นเขามีลูกชายลูกสะใภ้มีหลานมากันครบหน้าก็มันนึกว่า้เรามีลูกก็เขาอยู่คนก็ไปบวชเนี่ยเราจะไปเที่ยวไปอะไรก็มันไม่สนุกอ่ะใช่ไหมไปเที่ยวคนเดียวไม่สนุกนะถ้ามีครอบครัวมีเพื่อนก็นสนุกก็เลยนึกถึงลูก ว่าทำยังไงถึงจะให้ลูกเราเนี่ยฝึกมาแล้วก็มาแต่งงานแต่งการมีลูกมีต딸เล่าจะได้พามาออกงานเราอ่างนี้บักนางก็นึกแล้วก็รันทดใจน้ําตาซึมออกมาขณะนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งเรียกว่าเป็นนางคณิกามาเห็นข้าวก็ถามว่าป้าเป็นไรนางก็เลยเล่าความในใจให้ฟังนางก็บอกโอ้เรื่องนี้เล็กนิดเดียวจะ รับมาสาจะทำมาแต่มีข้อแม่อย่างนี้ได้ไมัาแล้วถ้าหากว่าให้ลูกศึกได้จะต้องรับนางเป็นลูกเขยลูกสะใภ้นะ่ะมีข้อแม่จะเป็นลูกสะใภ้เศรษฐีก็มึงก็ตกลงเ อ, เอาให้ศึกให้ได้แล้วกันเรื่อง อ, อื่นค่อยแก้ไขกันใหม่ถ้าจะยกตําแหน่งลูกสะใภ้ฮนะนางก็รับเดินทางไปสู่เมืองสาวัตถีมีข้าทาสบริวารเตรียมวางแผนกันไปอย่างดี ไปดูพระอยู่ที่ไหนพระบินทาบาทตรงไหนยังไงแล้วก็ไปดักซุ่มตอนบินทบาทก็ไปเจอพระออกบินทบาทอันนี้เราได้เกร็ดความรู้อันหนึ่งพอเห็นพระมาเนี่ยนางก็รีบถอดรองเท้าถอดรองเท้าทองไม่ใช่รองเท้าตัวนะข้างฝ่ายแม่เขาเตรียมแต่งฮะจะได้กลายเป็นเป็นนกต่อพาลูกออกจากวัดมาเข้าบ้านหได้ถอดรองเท้า ทองแล้วไปไหว้อย่างเราก็เลยนึกว่าเราใส่บาทไม่แต่รองเท้าเนี่ยเขาคงทํากันมานานแล้วนะแต่ว่าคนสมัยก่อนที่จะมีรองเท้าใส่ก็มาไม่เคยมีอ่แต่มีรองเท้าใส่เนี่ยก็โดยมากจะเป็นคนที่มีฐานะแต่ว่าเมื่อไปไหว้พระ้วก็จะถอดรองเท้า<ม>ก็เข้าไปเกลี้กกล่มให้ท่านสึก ปรากฏว่าท่านไม่สึกและท่านยังเทศได้อีกนะอนี้ก็เป็นความสามารถของพระแต่ว่าก่อนที่จะเทศอะไรเนี่ยท่านก็นึกว่าจิตของปุถุชนเนี่ยมักหวั่นไหวคือนนี้คือท่านท่านกลัวจะสุกมากเพราะ ไอ้ความคิดว่าจะไม่ศึกจะไม่ศึกพึ่งไม่ได้หรอกความตั้งใจเนี่ยนะมันไม่เอาแน่ไม่ได้จะเอาแน่ได้ต้องบรรลุธรรมต้องได้ทําเป็นดีพึ่งท่านก็กลัวจะถูกจับศึกอย่างแรงจึงคิดว่าออนนี้นะเราจะต้องสู้แบบไอ้นี่ผมพูดเองเทียบให้ฟังอ่านแล้วอ่านแล้วึกเหมือนสู้แบบหมาจนดรอ คนเราเนี่ยถ้าเรากลัวจะสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่ออยู่ในภาวะน้าสิวนน่ากวานเนี่ยมันจะเกิดแรงงืดขึ้นมาเพราะนั้นท่านก็ขณะที่ยืนอยู่ต่อหน้านังกริกาเนี่ยท่านกำหนดจิตปฏิบัติอย่างปัจจุบันทันด่วนและอย่างเต็มกำลังบรรลุ เป็นพระอระหันต์ในขณะยืนประเจ น, น้าอยู่กับหญิงที่จะมาศึกสันในขณะนั้นทีเดียวตรงนี้นะผมเข้าใจไอแรงกระตุ้นของประวัติพระอระหันต์ที่บรร ล, ลุในลักษณะอย่างนี้มัอนคล้ายๆกับสถานการณ์คือบางคนเนี่ยไม่เกิดได้สภาวะบังคับอย่างนี้บางทีตัวเองก็ไม่ทําอย่างกระตือรือร้นนะอ่ะทีนี้มาดูอีกองหนึ่ง สองรอยยี่สิบห้าองนี้เราได้ยินชื่อท่านมาแล้วเมื่อครั้งที่พูดถึงเอตทัคคะภิกษุคือท่านละกุณดกะพัทธิยะพัทธิยะนั้นเป็นชื่อตัวละกุณดกะนั้นเป็นชื่อที่เรียกเพราะเหตุอื่นเหตุอื่นคือท่านองค์นี้นะ่ะเป็นพระอรหันต์ที่มีรูปร่างต่าเตี้ย นะฮะจะจะเตี้ยอย่างขนาดคนเตี้ยอย่างที่เราเห็นหลายๆที่หลายๆคนเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันที่เตี้ยมากๆในลักษณะอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นแต่เพียงเล็กแต่ว่ารูปร่างสมส่วนบางคนนั่ก็เรียกรูปร่างเล็กแต่ว่าลักษณะสมส่วนดูเป็นเด็กๆคกนรูปร่างเล็กนี่จะไม่กแก่ใช่ไหมก็คงจะเป็นว่าท่านรูปร่างเตี้ยเล็ก แต่ในลักษณะสมส่วนแต่ดูเป็นเด็กจึงได้พาลานาว่าแม่เป็นอรหันแล้วยังถูกพระถูกเนรที่สําคัญตัวเองเป็นผู้ใหญ่กว่านะั้นลวกหูลูหูลูกหัวทํานองสับพยอกหยอกล้อหาลู่ไม่ว่าลูกหัวปลาลานตัวเองเป็นใครลูกหัวปลาลานถามว่าอย่างนี้บาปไหมไม่บาปไม่มีเจตนาจะล้วงเกิน อ่าแล้วเป็นบุญไหมรูปหัวด้วยความเป็นดูเป็นบุญไหมเป็นเมตตากรุณาไห ม, มอาเอาไปคิดเัาเองแล้วกันจากเรื่องนี้น่ะเราเลยได้คดติในเรื่องกรรมเรื่องกรรมในกรณีของคนบางคนรูปร่างเล็กแคะอย่างที่ว่าวเนี่ยนะฮะ บางคนก็สูงสักศอกครึ่งเล็กนิดเดียวน่าจะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากถามว่าเป็นกุศลวิบากอกุศลวิบากรูปร่างเล็กแคะกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากอากุศลวิบากใช่ไหมเล็กผิดปกติอย่างนั้นนั่นเรียกว่าอากุศลวิบากนี่อกุศลวิบากอย่างนี้ ไปทําอะไรไว้นี่แต่ผมไม่ถามเป็นเชิงหลักวิทยาการกรรมมาเป็นอากุศลวิบากที่เป็นชนกกรรมหรือเป็นอุปปีติกรรมหลายท่านก็คงตอบได้เป็นอุปปีติกรรมเข้ามาเบียดเบียนในกุศลของความเป็นมนุษย์กติให้มีอาการเสียหายเป็นรอยตอยําห น, นิอย่างนั้นอย่างนี้ไปทําอะไรไว้ ลองมาฟังประวัติท่านว่าท่านไปทำอะไรไว้ก็ตอบเลยว่าในสมัยพระพุทธกัสสปะปารินิพานใหม่ๆก็มีการเตรียมการสร้างเจดีย์และพระกรุณากะตอนนั้นเป็นหัวหน้าช่างช่างสร้าง ทีแรกนะเขากำหนดจะให้สร้างเยดีดีขนาดใหญ่แกก็ลดขนาดลงมาเอยจะกินอิด ก, กินปูนหรือว่าไม่รู้นะไอท้ทีนี้ไอ้การลดมันลดแบบหย่นหยวนมั่วๆนะเพราะเห็นแก่ความขี้เกียจเพราะไม่ก็ลบเพราะอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างทำให้ลดลงมาหรือไปโกงกินเพื่อประโยชน์ในทางโกงกินเกิดก็ได้เลยทำให้กลายเป็นคนเตีย้ยผิดขนาดเล็กผิดขนาด ตามบุพกรรมที่ทาไว้แต่ว่าเหตุที่ทำให้คนเตี้ยเล็กไม่ใช่เฉพาะเหตุนี้เหตุเดียวอาจจะมีเหตุอื่นอีกนะ mm hmm. เห็นไปด่าไปดูถูกสว์แข่งใครก็ไว้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่นี่ก็นับว่าเป็นเหตุหนึ่ง mm hmm. คือเรียกว่าอะไรก็ตามที่เป็นการทำบาปในลักษณะทำให้เล็กลงในลักษณะที่ไม่สมควรจะเป็นด่าก็ตามแข่งก็ตามหรือ ไปลดขนาดให้ปิดส่วนลงมาเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งกระตาทอานนี้ท่านเป็นใครชาติกำเนิดของท่านนนะเป็นคนเกิดในสกุลของคนที่ร่ำรวยฮะชาวเมืองสาวัตถีเหมือนกันชื่อตัวก็คือปฏิยักษ์เพราะว่าเป็นคนรูปร่างเตีย้ยเขาเลยเติมคำว่าละกุลตกะที่แปลว่า เตี้ยเล็กแคะ น, นั่นแหละที่ได้มาบวชเนี่ยเพราะว่าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาแล้วก็บวช ท, ที่นี่เมื่อท่านบวชมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านไม่ได้เล็กคุณธรรมท่านไม่ได้เล็กอย่างตัวท่านว่าท่านเป็นพระผู้สูตรคือทรงความรู้มากความรู้ในธรรมะเนี่ยนะแล้วเป็นธรรมกรถึกแสดงธรรมได้ดีแสดงธรรมได้เก่งและ คุณสมบัติที่ได้รับยกย่องจากพุทธเจ้าเป็นเอตทักคะคือเสียงเป็นคนที่เสียงไพเราะมากไปทำอะไรไว้นี่เห็นว่ารูอะไรนะล่างดาเสียงดีถ้านองนี่นะล่างดำเสียงดีงนะงดงดมันเป็นไปได้นี่ก็เป็นลักษณะของการผสมตัวระว่างวิบากสองด้านในชีวิตของคนต่างๆกันไปอาเลยได้รับยกย่องจากพุทธเจ้าตรงนี้อา่า เคตที่ท่านเสียงไพเราะเพราะไปทําบุญไว้ด้วยเรื่องเสียงเมื่อไหร่ที่ท่านเล่าไว้บอกว่าในสมัยพระพุทธาพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นนกดูเวาอยู่ในบริเวณที่พระผู้มีพภาคทรงประทับอยู่แล้วก็ได้คาบเอาผลมะม่วงจาก พระราจิุทยานเนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสและได้ขับร้องส่งเสียงเป็นเชิงือนเราสวมดมนต์อัสดุดีด้วยเสียงเลยทำให้เป็นคนที่เสียงไพเราะด้วยการทำกรรมแม้ในสภาพของความเป็นสัตว์ในไชาฉนก็เป็นบุญติดตัวมาด้วย นี่คือเหตุที่ทาให้เสียงไปร้อะแต่ความจริงคนที่เสียงไปร้องเนี่ยเป็นกุศลนิบาต ท, ที่เกิดขึ้นจากหลายสายเหตุไม่ใช่เฉพาะจะต้องไปเที่ยวร้องเพลงให้ใครฟังสี่จริงแม้แต่พูดเป็นคนพูดจาไปร้องอย่างเนี้ยก็ทําให้เสียงดีได้ไปร้องกับคนทั้งหลายได้จิตเมตตาตงกุศลเนี่ยนะฮะ หรือถาวายเครื่องเสียงสร้างเครื่องเสียงอะไรอะไรที่เกี่ยวกับเสียงนะครับและถ้าทำเสียงดังเสียงเีย่าพัยรอไหมก็คงได้ยินเสียงไม่ดีตัวเองก็คงจะเป็นพูดอะไรแล้วคนก็แมหมอดลังคานไม่ได้ตั้งทีเสียงคนนี้เอ่อ การที่ท่านได้มาบรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้บรรลุแต่ทีแรกหรอกเหตุกาจังหวะที่ท่านบรรลุท่านเล่ า, าไว้แบบนี้ครับว่าวันหนึ่งมีมหรสศพก็มีหญิงคณิกาคนหนึ่งไปเที่ยวกับพราหมณ์คนหนึ่งแต่หญิงคะนิกานั้นเห็นท่านเข้าก็หัวเราะจนเห็นฟันคือหัวเราะขำอ่ะองจาขำมาท่าน ตลกเลี้ยจนี่ตำ น, นองนี้ผลล อ, อ ก, การากเลยจะด้วยความเอ็นดูหรือด้วยความหมินหรือด้วยทั้งสองอย่างผสมกันก็เป็นไปได้ที่ท่านเห็นเข้าอย่างนั้นท่านก็กำหนดฟันฟันที่อยู่ในปากของหญิงนั้นเพ่งเป็นปฏิกูลและกรรมฐานจนกระทั่งได้ฌานแล้วก็ต่อวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอนาคามีก่อนฮนะ แต่หลังจากนั้นท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ภายหลังภายหลังนี่ก็คือมันไม่ได้ติดต่อทีเดียวนะได้มาฟังโอวาทของพระตรบุตรเพิ่มเติมแต่ละ บ, บรรลุทีหลังแต่ถึงอย่างไรก็นับว่าบรรลุไม่ช้าแล้วครับและได้รับยกย่องจากพุทธเจ้าอย่างที่ว่านะครับ วันนี้เห็นจะได้เท่านี้นะครับ5โมงแล้วคราวหน้าจะมีเอกสารสรุปมาให้